จะเทศความแก่ให้ฟังวันนี้เราไม่อยู่จากมรรษาถึนอยู่บ้านกน็เรียกว่าอยู่พรรษาเหมือนกันพรนศาสามเดือนนัึนเรียกว่าปิดกฎเกณฑ์ของพระโดยเฉพาะบ้านตัวนับถือได้เหมือนกันเดือนนี้ก็ร่วงมาได้เดือนได้ได้ครึ่งกวัวแล้ว มันจะถึงเดือขึ้นกว่วขึ้นกลั ว, ลวสามเดือนมาแล้วหมดไปชิ่นไปทุกคนนั่นแหละมันหมดไปกับปีกับเดือนกับวันกับคืนทุกปีทุกเดือนนั่นอย่างว่าท่านพูดเรื่องปัญหาให้ยักนีนีตาสองข้างอะไรบา ข้านิีข้างหนึ่งสว่างคือปฏิเสธาคือปฏิทินคือไปจากนั่นแหละเือนเพ็กับเือนแลมแล้วมีฟันยุ้ีชิดสองไอสามชิสองซี่ในเกวันที่ทั้งชิดสามสองันนั้นขยีเขี้ยวเขี่ยวสิสัรจะทุกทุกวันนะั้ยัคเมตาสองข้างข้างหนึ่ง นิจดีขัหนึงสว่างมีฟันที่สองที่ขเขยี่ยวเขี้ยวเขี่กินสันจิตทุกวันเวลาทันว่านั้นท่านเปรียบไว้วันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปอย่างนั้นทุกขอดจะต้องหมดไปด้วยกันความแก่ไม่มีกำหนด ทุกคนต้องแก่ไปด้วยกันทั้งนั้นแต่คนแก่นะอยกหากฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าคนไหนจะถึงเวลาใดแก่ไปถึงขนาดไหนเราอยู่ด้วยกันดีๆดดดดนี่แหละก็ อ, อยู่สบายๆแปนเนี้ไม่ก็รู้สึกตัวคนแก่ของคน ไม่เหมือนกับลูกไม้ผลไม้ลูกไม้ผลไม้ที่มันสุกก็เรียกว่ามันสุกความเป็นจริงไม่ใช่สุกคือมันเน่าแต่ว่ามันเน่าพอดิฉันได้มนุษย์ของเราจะเอามาทานมนุษย์ของเรานั้นฉลาดที่มันเน่าอย่างนั้นพอฉันได้ยอามาฉันเนี่ยเอามาทานเนี่ยมันแก่เหมือนกัน ลูกไม้พ่อไม้ก็แก่เหมือนกันแกจะหาความเนา่าแต่ลูกไม้แก่ยังดีก็คนกินได้ทานได้แต่คนไม่แก่ทานไม่ได้อย่างมากที่สุดก็หกสิบเจ็ดสิบปีเทนะ่าน่ะเลยได้ไปแล้วที่เลยถึงแก่ไปห้าสิบกสิบปีก็ ไม่ใช่กินของแก่คือกินแรงของคนคนที่ทำมีแรงมีกำลังทำได้นั้ทำการทำงานนได้กิน น, นั้นน่ะแต่ของแก่นะ่กินไม่ได้ท่านยังเทศนาให้ว่าโยจาวัฏสะสะตังชีเวอาพัสสังอุปยยกพยัญธนวันคนที่มีอายุตั้งร้อยปีก็เอาเถอะ ถ้าหาไปพิจารณาเรืงความเสื่อมควงสิ้นไปของสังขารร่างกายของเราเนี่ยเขามีประโยชน์เอากาหังชีวิตาชโยปัสโตพยาบามพยายามหากว่าคนนั้นเกิดขึ้นมาในวันนั้นก็ตามเห็นความเสื่อมควงสิ้นไปของสังขารร่างกายแต้ชื่อว่ามีอายุมากกว่า มีประโยชน์มากกว่าคนที่มีอายุร้อยปีนั่นเ อ, องคนนั้นพิจารณาถึงอายุของตนไม่พิจารณาความสื่อมชินของเสื่อมของตนอยู่ไปทําไมอยู่ก็จะจากจะว่าอยู่ครื่องนี้ไม่พิจารณาถึงเรื่องอายุชีวิตของตนนั้นความเสื่อมความชินไปมันก็ลูกไม้นะ่ะเช่นักแสงแตเ ต, เตา ที่แกไปนะแก่ไป แ, แก่ไ ป, ไ, ปไม่คิดพิจารณาเลยอะไรเลยเราเป็นอะไรเกิดจังว่าเป็นคนแล้วคิดถึงตัวของเราฉันจึงจว่ามีประโยชน์อะไรเราถ้าหากผู้มีปัญญาเกิดมาในวันนเอาเถอะสมมติเราเกิดในวันนั้นจะพิจารณาควอมเสื่อมของชิ้นไปของร่างกาย กินขวมคั่วกูดถึงเรื่องสี่อย่างในกินขวมคั่วมากนั่พวกวิทยาศาสตร์เขเรียนแบบนี้ตามนั่นแะขันก็เหมือนกันขันห่าแต่ว่าของแต่ว่าโมแต่ว่าหมวดรูปขันๆๆๆๆๆๆๆอันไดนที่ปลากฏขึ้นมาเรียกว่ า, ารูปขันปรากฏดแก่สายตาเรียกว่ารูปขันทั้งโลก ถ้ารวเรียกว่าระบขันทันั้นเทศนาสัญญาสังขารนิยามเป็นนามคือจับไม่ได้จับมาให้กันดูไม่ได้ยั่งเรียกว่านาำพูดถึงเรื่องจิตแต่การนี้ทศนาเราพูดถึงเรื่องจิตพระองค์พูดถึงเรื่องจิตทุกศาสนาพูดถึงเรื่องจิต แม้แต่โลกของเราทั้งทัง่วงมดใครๆก็พูดถึงเรื่องจิตแต่ไม่เห็นจิตสักทีลองพูดได้จากมาพูดได้เป็นตนเป็นตัวได้แล้วใครปฏิบัติตามนั้นเห็นด้วยเมื่อสำเร็จมาผนที่พังเห็นด้วยตนเองเอาพูดสู่การฟังไปเลย พูดได้แต่เสียงอุปมาประหมายเปรียบเทียบคอยเห็นแต่ว่าพูดสำเร็จเมื่อฝนนิพพานแล้วเห็นด้วยกันพูดได้ไม่ไเรียกว่าจิตเมื่อเที่ยธมาพูดว่าปฏิบัติเท่ก่อนยังค่อยเป็นปฏิเวชจะไค่อยเปปฏิเวชเมื่อเป็นปฏิเวชได้จงพรรบบัญญตัต แค่ว่าคนพวกเรียนเราทั้งหลายสมัยนี้จะปฏิบัติจะเรียนปฏิเวทเห็นได้ ก, ดก่อนค้่องแค้่วสดจำได้ดีก่อนยิ่งค่อยปฏิบัติตามนั้นแล้วจังถึงปฏิเวทไม่มีวันปฏิบัติไปไปเดียวเลอะเห ล, เห ล, เหลววะเมื่อไม่เห็นของจริงเมื่อไม่เห็นปฏิเวทมันก็เลยเลอะเหลว อ, อ่อนใจทอแทท เรียนไม่สําเร็จสักทีเรียนถึงประโยคเก้าก็ตามเพื่อที่เรียกว่าสําเร็จสําเร็จในพุทธศาสนาเรียกว่าิทยาลัยในศาสนาแต่ว่ามันไม่สําเร็จอันพกใจกันไม่ถึงไม่ถึงเก้าวันที่ใจนันแหลเห็นของจริงขึงนะเลือเล่อเหลววัด เหตุนั้นการที่จะเรียนพระธรรมคำสอนพระเจ้าต้องเรียนไปโดยลำดับต้องปฏิบัติโดยลำดับถ้าเรียนนละปฏิบัติไม่เป็นผลสำเร็จรเลยท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับโคนายโคบาลเป็นคนเลี้ยงงัวให้เขาแต่ว่าไม่ได้กินนมสักที การที่เรียนมากยังไม่หนำซ้ำพระพุทธเจ้าเทสนาโพธิระคือว่าเรียนความผีเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตัวเองต่อเมื่อปฏิบัติข่านี้ปฏิบัติได้อะไรรู้อะไรเรียนอนั้นได้ปฏิบัตินั้นก็ยังเป็นประโยชน์ เช่นคนธรรมดาสามัญชาวบ้านชาวเมืองนี่แหละที่ไม่ได้มีการศึกษาใดๆเขาบอกบอกเขาว่าให้ทําทานการกุศลแล้าก็ตั้งเจตนาทำทานใน้ินและไม่ได้สอนให้เขาเกิดศรัทธาเรื่องใส่ด้วยเขาเรื่องใสเองเขาคอใจเรื่องใสเองทําบุญทำทา น, ทานให้จักเนา เขาไปเห็นผลให้ประโยชน์ได้วความสุขสบายจิตของเขาท่านี้ไม่มีการเรียนคือจริงเป็นเองของเขาที่ปริ ญ, ญาจนคัดทาง น, นั้นชิ้นนั่นสมาธิงั้นงั้นไปมากวายป้วงกว้าเรียนลำดับไปแต่ว่าความเชื่อคือศรัทธาไม่มี การรักษาิชีวิตวิถีงดเว้น ก, ไญญ ก, ไก็ไม่มีแต่ปัญญาไม่เคยเกิดนีการทำทานที่ไม่ไม่มีการศึกษาเราเรียนอะไแล้วการรักษาศีลนี่อาจารย์มาเคยไปอยู่ไปอยู่กับคนป่าพวกมูอเซอร่ก่อนไม่มีใครอยู่ด้วยหรอกไม่ไม่มีใครไ ป, ปรเทศอในเกาหลีฝั่งจะขอรักษาศี ชิ่แตกเขาเคยก็เค ย, เ, เ, คยเคยรักษาพู้เราผู้แก่ชิ้นหัเขาเคยรักษาเพียบสุดจริงๆแล้ใครไปสอนเขาเขาเกิดเองเป็นเองของเขาแต่มันถูกทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามิลิอุตตะวะ เ, เป็นของประจาใจของเขาอยู่เข า, าจึงมีสิน สาษาเมคีรองดองกันเป็นเองของเขาโดยทีม่ม่รู้จัก่าสามมคีคืออะไรถ้าหาว่าใครอยู่ในหมู่ในคณะเป็นคนทะเลาะวิวาสหมู่เพื่อนกับชาว บ, บ้านเฉเมืองผู้ใหญ่บ้านเขาจะดเตือนไม่ฟังเขา จะต้องหนีจากมันให้มันอยู่คนเดียวคนเราเดินไปตามป่าไปตามเขาเห็นหมูได้เห็นบ้านใดถ้าเห็นหลังคาเรือนหนึ่งหลังคาเรือนหลังเดียวเพือ ส, สองหลังเราหมดไม่ต้องถามเขาแล้วแน่นอนที่สุดคนนั้นมันไม่เข้ามันเข้าหมูไม่ได้นี่เขาไม่รู้จักสามัิธีกวามปลองสองสามัิธีเหมือนกัน แต่เขาทำถูกเรื่องการรักษาสินที่พูดใงเรื่องการรักษาจิตและการภาวนาแล้วไม่ต้องพูดละมันไก่ทั้งเรื่องถกวงมดศาสนานี่สรุปรวมม ว, ว่าพูดถึงเรื่องใจ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 อย่างการทำทานนี่จะเรียกว่าจิตเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องของของจริงแล้วพูดถึงเรื่องจิตมีจิตศรัทธาเรื่อมใส่ภฐฐาษาถ้าศรัทธาเรื่อมใส่ภาษาถ้ฐฐากระดูกอ็เรื่อมใส่ศรัทธาจิตจิตกับศรัทธานั่นเองศินก็ยติงดเว้นจากโทษนั้นนั้นเขาเรียกว่าศิลสมาธิคืออบรมใจ ให้อยู่เป็นหนึ่งลงเป็นเอกจตายจิตปัญญาสืบความรู้เลาะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้สิ่งสรรพัดทั้งหวงมดตป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมีพูดถึงเรื่องใจแท้ถึงว่าถ้าจะเรียนศาสนา ถ้าไม่เรียนเข้าถึงใจได้วมาถึงศาสนาสักทีศาสนาที่สอนถึงที่สุดคือใจไม่เหมือนกับวิชาทางอื่นวิชาด้านอื่น น, น, น, นั้นสอนยิงกงุ้งแล้วมาเข้าถึงใจสักทีถ้าสอนด้านศาสนาแล้วเข้าถึงใจทุกอย่าง ที่เราจะต้องเรียนที่เราจะต้องศึกษาอย่าไปทิ้งใจจิตอันหนึ่งใจึันอีกทั้งก็พูดเหมือนกันนะจิตอันใดใจอันนั้นใจใน ใ, ใจิตอันนั้นก็เหมือนกันท้งพูดเมืเดียวกันนะแต่ว่าจิตมันมีลักษณะอย่างหนึ่งใจ ม, มีลักษณะอย่างหนึ่งมันมีลักษณะต่างกันพูดถึงเรื่องใจนี่โอ้ยมากมาย พูดงเรื่องจิตสมากคใหมแต่ก่อนได้ําก่อนําเพลงก็ยังพูดถึงเรื่องจิ ต, เ, ตเรื่องใจทั้งนั้นแต่ว่าใจอยู่ไหนหกันจะไม่รู้เรื่องในที่นี้จะบอกให้รู้เรื่องว่าใจคืออะไรจิตคืออะไรนั่นใจคือผู้เฉยเฉยรู้ตัวอยู่ รู้ว่าเฉยๆอยู่ไม่คิดไม่นึกอาณาเรียกตัวงใจจิตขานี้มันคิดนึกแบบขานี้มันคิดมันนึกมันฟงมันแต่งปัญญาลงมันฟมดอันนั้นเรียกว่าจิตจิตคือผู้จิจแตแกนเดียวกันนะนะนึกกับไฟเนี่นนนนนนคนยคะามบ้างก็เรียกว่าไฟแสงสว่างก็เรียกว่าไฟและนับบรรเทาความมืดเท่าใดก็เรียกว่าไฟ นั่นเดียวกันนั น, นถ้าหาว่าจะรู้อยากจะรู้ตัวใจจริงๆคาวนี่เราดูเรารู้ได้ขนาดนี้แหละเหตุทำอย่างนี้แหละรู้ได้เลยเรากลั้นลมหายใจสักนึบหนึ่งไม่คิดละเฉยนั่นแหละตัวใจตัวที่เฉ ย, ยนั่ตัวรู้ตัวที่เฉ ย, ยนั่น ขณนะ น, นี้ทำอีก ไ, ไม่กลันล้นลมหายใจแล้ท่านมันคิดมันนึกมันสงสยัยมันคิดอะไรได้แตบบ่ทางเก้าแม้แต่หลับตัวหลับไปแต่ตัวจิตยังไม่หลับยังตัวนี้แปลงอยู่คืนฝันจิตมั้นในจิตมั้นหลับไม่เป็นตายก็ไม่เป็นเจ็บก็ไม่รู้จักเจ็บ การที่มันเจ็บนั้นเพราะมัจะยึดมันจะไปรู้จักเจ็บถ้าไม่ยึดมันไม่รู้จักเจ็บอย่างผู้ทำสมาธิแล้วเนี่ยเต็มที่ยึดแต่ไม่ไม่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องคมยึดคมถือในสิงต่างไม่มีเจ็บหรอกอย่างที่เขานินโรธสมบัติไฟเผาหม่ๆหม้ําอีกแค่ฆ่าก็ไม่ตายนั่นแหละ มันไม่เก็บอย่างนั้นไม่ไม่มีเก็บร์อย่างนั้นข้าก็ไม่ไม่ตายเพื่อให้รู้จักใจเสียในขณะที่เราคิดเรานึกเราปรุงมาแต่งนั้นเรียกว่าจิตทมื่อไม่คิดมนปรุงมาแตง่งมีแต่รู้สึกเยือเฉยเรียกว่าใจเราเข้าใจตรงนี้แหละให้เนี่ยแม่เต็มที่ไปกว่าอนราคานี้ เรื่องอะบมดมันคิดมันสงสัยเกิดโทสะมรณาจิตทั้งเรื่องใจทั้งหมดเราเข้าหาหลักตัวจิตในตัวใจนั้นจิตสงบเราเข้าหาตัวใจก่อนนี่เลยวางเฉยตัวใจแทนมันเฉยการเรางม่ใจมีประโยชน์มากเอนกันเนี้เราเห็นใจแล้วนี้ประโยชน์มากเรา เยอะมากๆวลยการลมหายใจก็หายค่อยๆแล้วนับไปในขน้าที่การลมหายใจบางทีมันเกิดโธ่าสามได้าลองกั้นลมหายใจลองดูอาจจะดีก็ไดอาจจะค่อยหายไปก็ได้เยอะกิเลสอะไ้เกิดขึ้นมาลองกั้นลมหายใจลองดูอาจจะหายก็ได้ นี่แหลเรื่องเรียนพุทธศาสนาไม่ต้องเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหายใจถ้ากำลังเรื่อนพระพุทธเจ้าสอนสาวกท้างหลายต่สอสอนถึงใจนั้นถึงที่สุดของพิจัยเรียกว่าไอพุทธศาสนาสอนสุดเพียงแค่ใจเท่านั้นแต่ว่าเราเนี่ยยังทําไม่ถึงนั่นสิ มรนจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตเนี้ให้มันถึงที่สุดมันยึงจะสุดพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้เอาละอธิบายแค น, นี้ใครมีความรู้อะไรบ้างมีสงสัยอะไรก็ขอให้พูดึ้นมามีเวลาน้อย ามมการที่จะได้ฝันในการที่จะไปเหตในทางนี้ม่ละน้อยตาคบควนิงจิตกับใจเป็นตวกิตใจเป็นเป็นตัวนิ่งใช่ใจจะเกิดหลจากปบัเปฏิบัติทุอ่าง ใ, ใ, ใจไม่ใ่มเกิดใหม่ของเก่านะของมีอยู่แล้ว กลางกระสาั ง, ง, ตงแต่ท่านเรียกว่าจิตท่านไม่เรียกใจจิตต่างพระสารังมาคันตุเกิเกสิท่านผัวกิเลสมันเกิดมาใหม่มาจอนมาตังหากแต่ใจแท้นั้นแสงของเดิมไม่มีรอกกิเลสเลยวความข้อนี้สงสัยกันมาก บรรดานักเรียนทั้งหลายสงสัยกันแทบทุกคนไปเป็นของความใสทำไมต้องปฏิบัติทำไมต้องําระร้าวสารกัน้องใสหรอหรองใสตามธรรมชาติเท่านั้นของใสตามธรรมชาติธรรมชาติของมันั้นของใสอยู่เพียงแค่นั้นไม่ใช่ของใสบทจบบดบริสุทธิ์จริงๆอย่าง ธรรมชาติมันมนั่งฟองใสอย่างนั้นท่ามันองใสแล้วทำยังไงยังไงมันก็นไม่ฟองใสเราไปชนะยังไงมันก็นไม่ฟองใสของสกงปรกของไม่สะอาดเช่นดินเผาปอดีหรือเหล็กตรงนี้ปอดีเราไปทํางไงมันจะสะอาดมันจะฟองใสถ้าเป็นความของฟองใสเสีเดิมแล้วนั่นช่างเพชรเงินจิมดาแล้ว ไปล้างวปเช็ดมขมังขอคใสสอาดนั่นแหละธรรมชาติขมังของวามใสแต่ว่าคิดจะใช้ได้จริงๆนะ จ, งจังมันต้องชําระด้วยด้วยปัญญาต้องชําระด้วยปัญญาชิงสะอาดของใสมวัถุหมดจบจริง ๆ, ๆ, งๆงนะจางอันหนึ่งใจอันหนึ่งจะมาพูดอันเดียว่อะไรจพูดอันเดียวคนนั้น แลักษณะมันต่างกันมันต่างกันด้วยการอย่างว่ามันนั่นแหละเมื่อมันคิดมันเล็กมันุงมตนแต่งแล้วพัดทุกอย่างสัญญาลนังผมดมันยังค่อยเศราหมองใจมันค่อยเศราหมองความคิดควาเล็กความปุงความแต่งนี้แหละให้เกิดปัญญาถ้าไม่คิดมันเล็กไม่ปรุงไม่แต่งมันก็ไม่มีปัญญาเหมือนกัน ของไม่ดีอยู่ของดีอยู่แล้วก็ของไม่ดีท่านกอกของไม่ดีให้ดูเหมือนแก้วของลรามีแล้วโดยปัญญาบรรดาี้เลตทั้งหลายเป็นของไม่ดีแต่ว่าชี้เลตทั้งหลายนั่นนะเ้นเหตุนในเกิดปัญญาอุบายใจนั้นมันมีอะไรหรอกเฉยเฉยมนุนไม่ ม, มีอะไรหรอกนะ อันยามีแต่เน้นจินเดียวเมื่อพิจารณาดูจิตนอกจากเรานั่งพิจารณาแล้วอะไรยืนเดินเราก็พิจารณาเหมือนกันนั่งนอนแล้วพิจารณาทั้งอิริ ย, า, รยาบถทั้งสี่นะเวลานั่งมันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีเรื่องอะไรแล้วไม่มีเรื่องกระทบต้อง เวลาเดินนะมียืนเวลาเดินเวลายืนเนี่ยนะเวลานั่งทั่วไปทุกแห่งมันหมดนะมันมีเรื่องกระทบเหมอนนเนี่ยนะคันตั้งหากว่าเราดูอยู่ทุกขนาดจะเห็นเรื่องเหล่านะนะั้นอะว่ากระทบเมื่อจิตของเราปล่อยเมื่อใจจริงเราปลอ่ อ, ปลอยวางแล้วเรื่องนะั้นมันกระทบเห็นราะคาเนี้ดูเรื่องอนะ่ะมันยังตรงไหนยัง โรคเกตรงไหนไมีติดติดตรงไหนไม่เกี่ยวข้องกับตรงไหนพิจารณาตรงนั้นคือค่อยคค่อยเห็นจนมันชัดขึ้นมาได้วจะผลลัพธ์ได้แล้วก็เข้ามาหาความสงบมาอีกทีหนึงหน้าได้ต้องเข้ามากหาความสงบพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนี้ ฉยงจะรู้เห็นตัวกิเลสฉันจะรู้เห็นความยุ่งเหยิงรู้เห็นโขเกี่ยวของของจิตไม่ใช่เราเจนั่งรับนั่งลับตายตลอดวันข้ามาไปรู้ยังไงไม่ได้ครับใช้ยาวบรต่างๆที่ออกอย่างนั่งภาวนานนะตอนนั้นนะแต่ว่าอย่าไปทิ้งจะไปทิ้งจิต ทารลดจิตว่าให้แนวเนยยังค่อยเขแลค่อยชำระชระไม่ใช่หมดทีเดียวชนะทีนี้แล้วมันยังชนะอีกกระทบครันนี้แล้วมันกระทบอีกันบค้างนบหลไม่ทวนแต่เราไม่ได้ปฏิบัติภาวนาเมื่อกระทบตัวอย่างนั้นมันมีอะไรกระทบ ทำให้โกรธให้หลงอะไรน ะ, ท ำ, ระนะทำให้โมมาประมาอะไรนะทำให้ทบให้โกรธให้ใหลงเท่าเก่าและนะ้วเนี่ยเรื่องของเกา่าแต่นี่ยังมแต่นี่ไปถึงตายยังไม่ทนตายมาอลไรมันก็ทบกับของเกา่าของมันมีอยู่เท่าเกา่าแต่ว่าเราหลงของเกา่าหลงเที่ยงเรื่องของเก่าอเะนะท่นานยังวนเรียนนี่ไปแล้วจ้าขี เยี่ยนไหวตายเกิดอยู่ไม่แล้วสักทีเวียนว่าตาเกิดเกิดของเก่าเกิดตัวลูกอ่างงานี่เกิดมาของเก่าเกิดจากบิดามดาของเก่าแก่เท่ากับของเก่าตายก็ตายของเก่าเรื่องเก่าอะไรตายสักีแต่ว่าเราหลงไปแล้วสักที